ข้อความในคุธกานิกายยติวุตกะจตุกะนิบาทนะครับสมณสูตรข้อ283ร้อทงตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายสมมณหรือพรามหมลาใดเหล่านึง่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธาามินีปฏิปทา สมณะหรือพรามเหล่านั้นเราตถาคตหายกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือว่าเป็นพรามในหมู่พรามไม่และท่านเหล่านั้นหาได้ทําให้แจ้งซึ่งผลคือความเป็นสมณะและผลคือความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ไม่นะครับพระ อ, องค์ไม่ยอมรับนะครับว่า สมณพราหม์ผู้ไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะว่าเป็นคู่ผู้ควรยกย่องในหมู่สมณะผู้ควรยกย่องในหมู่พราหมณ์นะครับไม่สามารถจะทําให้ทําให้แจ้งสามัญญผลนะหรือว่าพร ม, มัญญผลคือไม่สามารถทําให้บรรลุหรือว่าเข้าถึงธรรมะที่ควรเข้าถึงจริงๆนะครับหมายถึงว่าก็เป็นสมณะก็เหมือนกับว่า เป็นแต่เปลือกเท่านั้นเองนะครับไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้แห่งความเป็นสมณะไม่เข้าถึงความแก่นแท้แห่งพรามนะครับส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเราหนึง่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาก็สมณะหรือพรามเหล่านั้นแลเราตถาคตยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และยกย่องว่าเป็นพรามในหมู่พรามและท่านเหล่านั้นย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งผลต่อความเป็นสมณะและผลคือความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระองค์ยอมรับผู้ที่บรรลุอริยสัจนะครับหรือว่าแทงตลอดอริยสัจ ตามความเป็นจริงอะนะเรียกว่าผู้ควรยกย่องว่าสมณะในหมู่สมณะผู้ควรยกย่องว่าเป็นพราม์ในหมู่พราม์แล้วก็เข้าถึงสามัญญผลพรามัญญผลอย่างยอดเยี่ยมนะครับเข้าถึงผลที่แท้จริงอะนะและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าสมณะพรามเราใดไม่รู้ชัดซึ่งทุกเหตุเกิดแห่งทุกธรรมชาติเป็นที่ดับทุกไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวง และไม่รู้ชัดซึ่งมักอันให้ถึงความสงบแห่งทุกข์สมณพราหมณ์เหล่านั้นเสื่อมแล้วจากเจโตวิมุตต์และจากปัญญาวิมุตต์เป็นผู้ไม่ควรเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นแลเป็นผู้เข้าถึงชาติและชารานะครับคือหมายความว่าเป็นสมณพราหม์เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นสมณพราหมณ์ที่พ้นจากกองทุกข์อะไรนะครับ ก็เป็นสมณพราหมณ์ที่ยังเข้าถึงชาติชรามรณะต่อไปอีกเพราะไม่ได้บรรลุอริยสัจเพราะไม่แทงตลอดอริยสัจนะครับผู้ที่ไม่แทงตลอดอริยสัจ ก, ก็ไม่สามารถพ้นจากวัตทุกข์ได้เลยส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดรู้ชัดซึ่งทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับแห่งทุกข์ไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงและรู้ชัดซึ่งมรรคอันให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ สมณพราหมณ์เหล่านั้นถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นผู้ควรเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติและชรานะครับถ้าแทงตลอดอริยศาสกก็พ้นจากวัตทุกข์ทั้งปวงข้อความในอัตถกถาสมณสูตรอธิบายว่าบทว่าเยหิเกจิได้แก่บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง บทว่าอีทังทุกขันติยะถาภูตังนับปัจชานันติความว่าคือไม่รู้ไม่แทงตลอดทุกขสัตย์อันไม่วิปริตด้วยมรรคปัญญาที่ประกอบด้วยวิปั ส, สนาปัญญาโดยสภาวะและลักษณะแห่งกิจที่แท้จริงว่านี้ทุกทุกมีเพียงเท่านี้ไม่มีทุกยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ไม่ได้รู้แจ้งสภาวะของคขาว่าทุกข์เลยนะครับทุกข์นั้นเป็นชื่อของอะไรครับชาติพิทุขขาชราปิทุกขามรณะปีตุขังโสกปริเทวะทุกขโทมณสุปายาสาปิทุกขานะครับสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานะครับว่าชาตินะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะครับถามว่าทุกขที่ว่าคืออะไรคืออุปาทานขันห้า อุปาทานขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะครับอุปาทานขันห้าบางอย่างเป็นกรมภูมิบางอย่างเป็นรูปภูมิบางอย่างเป็นอรูปภูมินะครับถ้ารูปภูมิได้นามขันสี่นะครับถ้าพรหมภูมิได้ขันห้านะครับถ้าปัญจโวการภูมินี่แหละครับเพราะฉะนั้นผู้ที่รอบรู้ว่าเออทั้งหมดที่ว่าเนี่ยก็คือขันห้าที่เรียกว่าทุกข์เท่านั้นแหล เพราะสภาวะเหล่านั้นไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยแล้วก็สามารถรู้สามัญลักษณะของทุกเหล่านั้นนะครับของขันห้าทั้งหมดทุกภูมิเหล่านั้นนะครับว่าแต่ละภูมิก็ไม่เที่ยงเลยนะครับก็จะหมดอยู่ในภูมินั้นแหละ อย่างเช่นขันของสัตว์นรกก็จะหมดอยู่ในสัตว์นรกแหละไม่ถึงภูมิอื่นเลยขันของเปรตก็จะอยู่ในภูมิของเปรตแหละไม่ถึงภูมิอื่นอีกเลยขันของเดรัจฉานก็อยู่ในภูมิของเดรัจฉานนั่นแหละไม่ถึงภูมิอื่นอีกเลยขันของมนุษย์ก็อยู่ในภูมิของมนุษย์นั่นแหละไม่ถึงภูมิอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นความที่เสื่อมสิ้นสลายไปในภูมินั้นๆไม่เลยไปหาภูมิอื่นอย่างนี้เรียกว่าไม่เที่ยงนะครับสิ่งใดไม่เที่ยงนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นทุก่นนนัแหละ เป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระอะไรเลยนะครับไม่มีนิจจสาระสุขสาระอัตตสาระเลยนะครับแล้วก็ขันทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นไปตามปัจจัยนะครับขันที่อยู่ในนรกก็เป็นไปตามปัจจัยคือเหตุให้ไปตกนรกนะครับคือความชั่วทางกายชั่วทางวาจาแล้วก็ชั่วทางใจนะครับความชั่วทางกายวาจาใจนี่แหละเป็นเหตุให้ไปสู่เปรตสู่สุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานความดีทางกายวาจาใจเป็นเหตุให้มาสู่ ความเป็นมนุษย์ความดีทางกายวาจาใจนั่นแหละเป็นเหตุให้สู่ความเป็นเทวดาความดีทางใจอย่างเดียวนะครับเป็นเหตุให้เข้าถึงพรหมและอรูปพรหมนะครับเพรา ะ, ะนั้นความดีทั้งหลายที่เป็นไปทางกายวาจาและใจเหล่านี้นะครับเป็นเหตุให้ไปสู่ภพทั้งปวงนะความดีความชั่วทั้งทางกายทางวาจาเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงอยู่แล้ว ผลแห่งความดีและความชั่วเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงก็จะหมดสิ้นอยู่ในภพนั้นนั้นนะครับไม่มีความจีรังยั่งยืนอะไรเลยไม่เที่ยงก็มันสิ้นไปในภพนั้นๆสิ้นไปในที่นั้นๆแต่ก็สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยอย่างเดียวนะครับเป็นไปตามปัจจัยเช่นกรร ม, มปัจจัยก็คือกรรมปัจจัยไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยง แต่กรรมก็มีผลเสมอนะครับถ้ามีเหตุถ้าได้ปัจจัยพร้อมกรรมก็ให้ผลเป็นต้นนะครับไม่ใช่ไม่เที่ยงแล้วก็กรรมไม่มีผลไม่ใช่นะเนื่องจากมันไม่เที่ยงนั่นแหละกรรมจึงมีผลนะครับเนื่องจากเป็นอนัตตานั่นแหละกรรมจึงมีผลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยนะครับแต่ไม่มีสาระแกนสารควรที่จะสําคัญมั่นหมายอะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติมีปัญญาตามพิจารณาเหล่านี้นะตามพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเหล่านั้นนั่นแหละครับจึงจะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในการพิจารณาทุกขาริยสัตว์ในภูมิทั้งปวงส่วนสมุทัยศาสตร์ก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็ต้องพิจารณาโดถ้าพิจารณาเห็นทุกข์สัตว์มากเท่าไหร่ปหานะปริญญาหรือว่าการละสมุทัยก็จะมีเป็นไปเท่านั้นนะครับเช่นถ้าหากว่า มีความเห็นมีความรู้ที่ถูกต้องว่าขันทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิทั้งปวงเหล่านี้ก็เป็นแต่ขันเท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเลยนะครับไม่ใช่ชีวะอะไรสักอย่างเลยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์จะชนิดหนึ่งนะครับเป็นของจริงแท้แต่ความจริงแท้เหล่านี้ก็เป็นไปตามปัจจัย แต่ว่าปัจจัยก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนผลของปัจจัยก็ไม่ได้เที่ยงไม่ได้คงทนถาวรอะไรนะครับบางอย่างก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยซ้ําไปนะครับเป็นทุกข์หมายถึงเจ็บปวดด้วยเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงด้วยนะครับเป็นทุกข์เพราะแปรปรวนด้วยนะครับเพราะไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละมันเป็นอนัตตาแต่ก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยเมื่อเกิดก็เกิดเพราะมีปัจจัยเ e. <öğ. S 1> มื่อจะเสื่อมไปหรือสิ้นไปก็เพราะหมดปัจจัยนะครับเพราะหมดปัจจัยนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็เรียนรู้เพ่งเพียรพิจารณาสิ่งเหล่านี้นี่นะครับก็จะละความสําคัญมั่นหมายด้วยอํานาจของตัณหามานะและทิฏฐิในขันทั้งปวงเหล่านี้นะครับแล้วก็เจริญสติเจริญธรรมวิจยะเจริญวิริยะปีติปัสสัตที่สุขสมาธินะครับอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้อย่างแทจ้จริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเพื่อ ทำให้แจ้งอริยสัจก็จะเป็นไปโดยลำดับนะครับในบทวานนะ่าณเมเตพิกเวเป็นต้นมีความย่อดังนี้ว่าดูกรพิสูจนทั้งหลายบุคคลทั้งหลายผู้ไม่ได้ประกอบกรรมฐานมีสัจจะสี่เป็นอารมณ์จะเป็นสมณะได้ก็โดยเพียงการบรรประชานะสมณะก็บวชบวชศัก์แต่ว่าบวชเท่านั้นแหละเหมืนจะเป็นพรามได้ก็เพียงโดยชาติเหนกันนะตระกูลพรามเฉยๆนะครับ บุคคลเหล่านั้นเราตถาคตไม่ได้ยอมรับคือรับรองว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะผู้มีบาปอันสงบแล้วและว่าเป็นพรามในหมู่พรามผู้ลอยบาปแล้ ว, วร้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มีธรรมะที่ทำให้เป็นสมณะหรือมีธรรมะที่ทำให้เป็นพรามนะครับไม่คู่ควรต่อความเป็นสมณะคือผู้สงบบาปไม่คู่ควรแก่ความเป็นพรามผู้ ลอยบาปนะได้แต่วัหานได้แต่สมัญญาได้แต่ชื่อแต่ไม่มีคุณธรรมเครื่องรับรองแห่งความเป็นสมณะพราหมณ์เลยแต่ว่าคุณธรรมที่จะทําให้ถึงความเป็นสมณะพราหมณ์ที่ถ่องแท้นั้นหมายถึงการแทงตลอดอริยสัจแต่การแทงตลอดอริยสัจก็ต้องมีการตรัสรู้ไปโดยลําดับนะครับนะเหมือนกับธรรมวินัยนี้นะลาดลุ่มโดยลําดับเหมือนทะเลเพราะว่าทะเลนี้ลาดลุ่มลึกไปโดยลําดับไม่โกรกชันเหมือนเขาขาด เนี่ยนะฉันใดธรรมวินัยนี้ก็มีศิคยาโดยลำดับมีปฏิปทาโดยลำดับนะครับมี กิริยาโดยลําดับนะครับคือมีการศึกษาโดยลําดับมีการกระทําโดยลําดับและมีข้อปฏิบัติไปโดยลําดับจึงจักสามเณรบรรลุมรรคผลได้นะครับเพราะมรรคผลนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นการแทงตลอดอริยสัจชั้นสูงแต่ก่อนที่จะแทงตลอดอริยสัจชั้นสูงนะครับจะต้องมีข้อปฏิบัติที่สมควรแก่การบรรลุเหล่านั้น น, นอันนั้นเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรกับโลกุตระธรรมอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านาจะจะปเนเตอายสัมมันโตเป็นต้นนะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสามัญญถังได้แก่ผลกล่าวคือคุณเครื่องความเป็นสมณนะได้แก่สามัญญผลสนะครับสามัญญผลก็คือโสดาปฏิพนสกาธาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผล น, นี่แหละครับเพราะฉะนั้นผู้ที่แทงตลอดอริยสัจทั้ง4ี่นี่นะครับถ้าแทงตลอดครั้งแรกก็จะโสดาบัน ก็ได้สามัญญผลนคือโสดาปฏิพนถ้าแทงตลอดอริยสัจหรือบรรลุอริยสัจครั้งที่สองเรียกว่าสกธาคามิมักเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลคือสามัญญผลได้แก่สกธาคามิพ้ถ้าแทงตลอดอริยสัจครั้งที่สเรียกว่าด้วยอนาคามิมักเนี่นะครับก็จะได้ผลคืออนาคามิผลก็เป็นสามัญญผลอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าแทงตลอดด้วยมักอันเลิศคืออรหัตมักก็จะบรรลุ สามัญญาผลชั้นสูงคืออรหัตผลอรหัตผลนั่นแหละครับเรียกว่าสิน้นสิ้นอาสะวะอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นผลที่ไม่กำเริบนะครับนะอกุปาเจโตวีมุติเป็นการหลุดพ้นทางใจเนี่ยนะครับที่ไม่กำเริบอีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่กำเริบไปหาธรรมะอย่างอื่นอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในโล ก, กธรรมทุกชนิดนะครับอาโซกังวิรชังเขมังเอตัมมังคัลลุตมตมะนะครับเพราะว่าไม่เศร้าโศกนะครับเพราะ พุทัสโลกะธรรมะนะครับเพราะโลกะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องไปกระเทือนใจไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจสํานวนว่าไม่ฟูไม่แฟบนะครับไม่ฟูหมายความว่าโลภะเกิดก็ไม่พองนะครับไม่แฟบเพราะได้รับปฏิฆานิมิตหรืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเพราะไม่มีโลภะโทสะให้ฟูและแฟบเลยนะครับเพราะมั่นคงเพราะทำปริญญาในทุกอารมณ์หมดแล้วนะครับเพราะพ้นแล้วนะครับเพราะแทงตลอดอริยสัจหมดแล้ว บทว่าบร ม, มัญญาถังก็คือเป็นไวายพจน์ของสามัญญาถังได้แก่อริยผลสี่เหมือนกันนะครับอาจารย์บางท่านกล่าวว่าสามัญญาถังได้แก่อริยมรรสสี่พร ม, มัญญาถังนะครับได้แก่อริยผลสี่นะครับบทที่เหลือก็ตรงกันข้ามนะครับง่ายทั้ง น, นั้นเคยขยายมาแล้วนะเคยขยายมาแล้วนะครับ